การที่ปล่อยอารมณ์รุนแรงออกไ ป, อปอไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยเพราะเราจะต้องพยายามระวังไอสภาวะจิตอันนี้ให้ได้แล้วก็ต้องหัดระ ง, งับให้ได้ถ้าไม่หัดระ ง, งับแล้วก็ไม่ใช่ระ ง, งับแบบเก็บกดด้วยนะระ ง, งับแบบเก็บเก็บกเดเยวก็บ้าเหมือนกัน mm hmm. เพราะจะต้องหัดระ ง, งับโดยใช้วิปัสสนาเข้าใจไหมหรือว่าใช้สมถะที่เป็นอย่างของพุทธเนี่ยที่จะบรรเทามันลงมาให้อารมณ์มัน ลดลงมาอย่าไปปุ้งซ่านอย่าไปรุนแรงอย่างนั้นจงกระทั่งหนที่สุดมันเบาจางลงได้เนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้คนนั้นถึงจะแก้แก้ได้อันตัที่ข้อต่อไป 5.1.2 อันนี้เขาใช้วิธีกรณีปลีกออกจากสังคมนะหมายถึงปลีกตัวอะไรอย่างเงี้ยออกจากสังคม ปัญหาของชีวิตตัวโทสะจึงเป็นสิ่งที่ร้ายกาจที่สุดมันอาจก่อความพยาบาทได้อย่างค่อนข้างแน่อาจจะอาฆาตเอาไว้ในใจหลังจากนั้นก็รีกหนีหน้ามนุษย์มนาทั้งหลายเข้าไปอยู่ในหมู่พฤกษชาติติณนนชาติสัตว์วชาติพฤกษชาตินี่ก็ต้นไม้ใช่ไหมติณนนชาติในพวกหนอนแมแรงอะไรพวกนี้ใช่ ติ น, นชาติสัตว์วัชาตินี่ก็อาจจะเนี่ยสัตสัต อ, อ, อะไรอะใหญ่ขึ้นมาทั่วๆไปลองลงมาบทบาทของโทสะหากอ่อนลงก็จะกลายเป็นความน้อยใจบางคนอาจจะตอบได้อย่างรุนแรงตอบโต้อย่างรุนแรงแต่บางคนเพียงแต่แอบกรีดน้ำตาก็เป็นได้ ออันนี้แล้วแต่แล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่สายพันธุ์ว่าท่านมาจากสายพันธุ์ไหนถ้าเป็นสายโทสะโหโตตอบรุนแรงนะแน่แต่ถ้าเป็นสายกามนี่มันค่อนข้างจะเป็นเชิงกรีดน้้ำตานั่นจะเป็นลักษณะนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือหากเป็นการประชดประชันแล้วมักจะพยายามเน้นสร้างไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม ที่จะให้ผู้อื่นร่วมรับรู้ว่าตนเองได้กระทำแล้วนะนะดูนะันี่บรรชดประชันเนี่ยนะดูดูเขายกตัวอย่างอา่พี่น้องทะเลาะกันบางทีหูเราอาจแววคำประกาศอย่างโอหังขึ้นมาว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เหยียบบ้านนี้อีกต่อไปการจากไปชนิดเงียบเงียบไม่ค่อยมีจะต้องประกาศกันเป็นทางการก่อนถึงจะไป ในยุคนี้บางทีเราก็อาจเคยได้ยินนั้นได้ยินว่าอย่างนี้นะพ่อผมจะไปอยู่ป่าไม่อยู่กับพ่อแล้วนะบางรายก็คูแต่บางรายก็เอาจริงแต่ทั้งสองพวกต่างก็แก้ปัญหาด้วยวิธีเดียวกันวิธีเดียวกันก็คือหนีนะหนีเลยคือไม่ต้องเจอเจอกันอย่ามาเจอกันเลย นั่นแหละมันก็ไปแบบปร ะ, าประชาชนเลยนะอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าพอจะเห็นๆกันอยู่บ่อยๆนะอีกตัวอย่างหนึง่งแม้แต่นักปฏิบัติธรรมที่ถือว่าการบรรลุธรรมได้นั้นจะต้องอยู่ตามถ้ำป่าเขาก็เข้าข่ายในกรณีการปีกตัวออกจากสังคมด้วยเพราะถือว่าไม่ได้เข้าเผชิญตัวปัญหาอย่างแท้จริงเอะก็เข้าป่าทีเดียว โอกาสบรรลุธรรมจึงหมดหนทางเพราะเมื่อจะชนะทุกข์ก็ต้องสู้กับทุกขเมื่อหนีทุกข์ไปเข้าป่ามันจะมีการชนะมาได้อย่างไรศาสนาพุทธเรียกผู้สิ้นกิเลสแล้วว่าผู้พ้นทุกข์ผู้ชนะโลกผู้เหนือโลกก็ย่อมหมายความว่าไม่ได้หนีมันแต่อย่างใดเพราะถ้าการบรรลุคือการหนีเข้าป่าแล้วก็น่าจะใช้คําว่า ผู้หนีทุกผู้หนีโลกต่างหากอันนี้ก็เราคงเข้าใจกันดีเพราะว่าฟังพ่อท่านเทศมาเยอะแล้วนะว่าพวกที่เหมือนกับเนี่ยสายฤาษีชอบปฏิบัติธรรมโดยเข้าใจผิดคิดว่าการจะบรรลุธรรมเนี่ยก็คือต้องหาที่สงบสงบเงียเงียบไม่ต้องมีใครมายุง่งแล้วเราก็ไม่ต้องยุ่งกับใคร นั่นอย่างนั้นแหละถึงจะถือว่าเป็นผู้พ้นทุกข์แต่ความเป็นจริงแล้วยิ่งไม่มีภาษายิ่งไม่รู้หรอกว่าเรามีทุกข์หรือเปล่าคนที่จะรู้ว่าตัวเองมีทุกข์ไหมเนี่ยมันเหมือนกับคุณไม่รู้หรอกว่าอากาศมันร้อนเป็นยังไงเพราะคุณเล่นใช้พัดลมหรือว่าคุณเล่นอยู่แต่ในห้องติดแอร์แล้วคุณจะรู้ได้งไงว่าอากาศมันร้อนมันเป็นยังไง ใช่ไหมหมายถึงว่าอากาศธรรมดาเนี่ยมันร้อนหรือเปล่ายัางไงคุณไม่รู้เพราะว่าสมมติว่าคุณไปอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาและแอร์ก็เปิดตลอดเวลาคนนั้นไม่มีวันรู้หรอกถ้าลองแอร์ปิดแอร์สิปิดพัดลมสิหรือว่าแอร์มันเกิดเสียหรือว่าพัดล ม, มเกิดเสียขึ้นมาคราวนี้คุณจะรู้ว่าอากาศร้อนมันเป็นยังไงแล้วไปสังเกตดูนะคนยิ่งอยู่ห้องเย็นๆมากๆพอมาเจออากาศธรรมดานี่แหละไม่ต้องไม่ต้องอากาศอย่างอื่นเลย โอ้โหบูดีดง่ายแล้วก็อะไรอ่ะขี้ร้อนง่ายมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอากาศมันไม่ร้อนนะอากาศมันก็ร้อนคนอื่นเขาก็ร้อนเหมือนกันแต่คนที่ไม่ค่อยไปไปอะไรอ่ะไปเคยชินกับพัดลมหรือว่าไม่ไปเคยชินกับแอร์อะไรมากคนนั้นเขาไม่รู้สึกอะไรมากเพราะว่าสภาพจิตใจสภาพร่างกายเขาเขาปรับกับ สภาพธรรมดานั้นแล้วสภาพธรรมชาตินั้นแต่คนที่มันเหมือนกับยิ่งหนีอากาศร้อนเนี่ยดูนะดูสภาพของจิตวิญญาณยิ่งหนีอากาศร้อนก็เท่ากับยิ่งกลัวอากาศร้อนยิ่งกลัวอากาศร้อนก็ยิ่งไม่กล้าเจออากาศร้อนเลยยิ่งไม่อยากให้มันผัสสะไม่อยากที่จะต้องไปสัมผัสเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยที่มันมันซ่อนฝังอยู่ในจิตวิญญาณเพราะถ้าเกิดอาจามาบอกแล้วเกิด แอรเสียอะไรเสียโอ้โหบ่นเป็นหมีกินพึ่งเลยแหละอ่าจริงๆเลยเพราะว่ามันจะอึดอัดมันจะลําบากมันจะทุกขเวทนามากกว่าคนปกติเขาเพราะมันเป็นการสั่งสมที่คนนั้นไปสั่งสมอย่างนั้นไวไปสั่งสมสภาวะจิตอย่างนั้นไว้อ่าไปอย่างนั้นจริงเพราะนี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครร้อนยังไงเนี่ยอธมายังเห็นว่าใช้แค่พัดลม ดีกว่าใช้แอร์เข้าใจไหมถ้าอากาศร้อนยังไงก็ตามนะีใช้แค่พัดลมยังดีกว่าใช้แอร์เพราะว่าแอร์นี่มันมันโอโ้โหมันปรับสภาพหมดเลยแอร์นี่มันปรับสภาพหมดเลยจนกระทั่งคนนั้นเลยไม่ได้มีภาสาเกิดขึ้นที่จะมาฝึกกับสภาพอากาศร้อนนั้ น, น เ, มเมื่อคนนั้นเนี่ยไม่ฝึกปรับจติตหรือว่าปรับกายให้เข้ากับสภาพร้อนนั้นให้ได้หรือว่ารับกับสภาพนั้นให้ได้คนนั้น พอเวลาไปเจอเข้าเอามันไม่ฝึกปรับเอาไวน้นี่พอไปเจอเข้าจะอ่อนแอจะไม่ค่อยทนต่อสภาพที่ตัวเองไปเจอเพราะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับเนี่ยหนีทุกข์หรือว่าหนีโลกมันไม่ใช่พ้นทุกข์หรือว่าไม่ใช่พ้นโลกทีนี้บางรายก็อาจจะปีกตัวไปอย่างสุภาพเช่นเราอาจพบ ผู้ถูกมรสุมชีวิตเล่นงานกำลังใช้เหล้าเป็นเครื่องปลีกออกจากสังคมหรืออาถรรพ์เข้าหายาเสพติดนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนีอย่างหนึง่งแต่หนีโดยใช้แทนที่จะเนี่ยจะใช้ไอ้เครื่องบำรุงบันเลอธรรมดาแต่ใช้เป็นของบุญเมาของเสพติดให้โทษที่มันรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันมันหนีหนักขึ้นมัน เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหนักกว่าหนักกว่าแค่ที่เมื่อกี้เรากเรยกตัวอย่างว่าแค่แค่พัดลมแค่อะไรนะแค่แอร์หรือบางคนกินอาหารเนี่ยต้องกินน้ําแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งเพื่อมาเคยพูดแล้วว่าแต่กอนเนี่ยต้องมาก็โอ้โหติดน้าดูเลยเรื่องเนี่ยพูดบ่อยเพราะว่ามันติดจริงๆน้ำหดหยินมันนอนไม่หลับจริงๆก็เคยพูดให้ฟังแล้วโอ้โหจนกว่าจะเลิกมาได้แม่ นะคือขึ้นคอไม่น้อยกว่าจะเลิกไม่ได้ถึงได้รู้ว่าโอ้โหมันติดแล้วมันทรมานเราอย่างนี้นี่เองอหัวข้อต่อไป 5.1.3 นาะนกรณีกรณีการเก็บตัวที่จริงการปลีกตัวออกจากสังคมกับการเก็บตัวมันก็ความหมายคล้ายๆล้ายกันแต่การเก็บตัวความหมายออกในเชิงวงแคบกว่าและส่วนใหญ่มันจะใช้วิธีการนี้แก้ปัญหา การเก็บตัวเป็นการไม่สูงสิงกับใครซึ่งบุญเหตุก็มากมายเช่นอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเพราะเช่นประท้วงนะหรือว่าดื้อแพ่งประชดประชันน้อยเนื้อต่ำใจโศกเศร้าเรือทนนะอื่นๆนอีกบุญเหตุจึงมีหลายกรณีด้วยกันแต่นั่นแหละมันก็ยังเป็นความอ่อนแอแห่งจิตตนอยู่นั่นเองการเก็บตัวของคนบางคน แทนที่จะเป็นการรักษาแผลกับกลายเป็นขยายบาดแผลให้ลุกลามใหญ่โตไปเสียอีกนะเช่นทูเขาว่ามากๆปิดห้องลงกรอนไม่มองหน้าใครบงเล็บอาจโมโหหน่อยๆบางรายก็อาจนั่งพิงฝาบ้านร้องไห้นะ่งเล็บปิด อ, อันนี้มันอยู่ที่เจ้าตัวนั้นด้วย ถ้าบางคนเนี่ยอย่างเช่น อ, อย่างเงี้ยถูกเขาว่ามากๆเสร็จปิดห้องโรงกอนนะ่ไม่อยากเห็นหน้าใครแต่หลังจากปิดห้องลรงกอนแล้วถ้าจิตเขาเนี่ยสงบลงนะถ้าเขาไม่ไปฟุง้งซ่านไม่ไปคิดในมุมลบในมุมร้ายได้เนี่ยนะแล้วรู้จักเอามาวิปัสสนามาอะไรเขาก็จะส ง, สงบลงได้นะ<ม>ก็ไม่ไม่เก็บตัวเดี๋ยวก็พอคิดได้ขึ้นมาก็เลิก อ, า, อาจจะอาจจะงั้นก็ได้เหมือนกับถือว่าเป็นการถอยมาตั้งหลักหน่อยนะแต่ส่วนที่แยก่ก็คือพอปรากฏว่าปิดประตูรงกรไม่อยากมองหน้าใครแล้วความคิดที่มีอยู่ก็ฟุ้งซ่านนะแล้วสิ่งที่คิดก็คิดแต่มุมรบคิดแต่ในแง่ที่มันอคติลำเอียงเข้าข้างตัวเองนะถ้าอย่างนี้นก็ยิ่งผลักยิ่งเกลียดชังยิ่งไม่ชอบใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะ่าจะยิ่งน้อยเนื้อต่าใจหรือยิ่งโกรธแค้นก็แล้วแต่แต่ถ้าคนนี้ยิ่งคิดอย่างนี้คนนี้ยิ่งเก็บกดเก็บกดเก็บกดหนักขึ้นมากขึ้นเลยนะอันตรายนะถ้าอย่างเงี้ยสวยตัวอย่างหนึง่งเสียใจที่ไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเราประท้วงไปอยู่บ้านคนอื่นนะหรืออีกตัวอย่างหนึง่งรู้ว่าตัวเองมีความผิดถ้าเพื่อนเห็น จะต้องเอาเรื่องแน่จึงปิดประตูงดรับแขกอาจจะมีการป่วยไข้แถมให้ให้เป็นจริงวงเล็บซึ่งก็จริงโดยจิตจะเป็นผู้สร้างขึ้นมาอย่างรีบด่วนวงเล็บปิดอ๋อคือพูดง่ายมันเป็นวิธีการเอามาแก้ปัญหาตัวเองอย่างหนึง่งนะโดยที่เอาตัวป่วยจะมาอ้างจริงๆแล้วเนี่ย อยากจะเอาตัวป่วยมาอ้างเพราะจิตเนี่ยมันจะสั่งงานอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าสะกดจิตตัวเองว่าต้องป่วยต้องป่วยเพื่อที่จะได้เอามาเป็นข้ออ้างได้เพราะบางคนก็เลยป่วยจริงๆเพราะจากการที่สภาพสภาวะจิตของตัวเองนั่นแหละเพื่อที่จะมาใช้แก้ปัญหานี้เพราะนั้นก็บอกเลยว่าป่วยป่วยป่วยป่วยป่วยเอ๊ชักรู้สึกตัวร้อนๆแล้วมันไม่สบายมันอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นจริงๆอ่าส่วนอีกตัวอย่างหนึง่งแค้นจนแน่นหัวอกถูกศพประมาทอย่างให้อภัยไม่ได้ชักธงรบอดข้าวยี่สิบวันโอ้โหกินนอนในห้องนั้นแหละเอ๋ไหวยเลอรวงเล็บกรณีเห็นหน้ากันรู้จักกันแต่ถ้าเป็นคนห่างๆนานๆเจอกันทีไม่มีความผูกพันอะไรก็ไม่อดให้ลำบาก อ๋อน่พูดแปลกๆนะ mm hmm. ว่าชักทงรบอดข้าวยี่สิบวันแต่กินนอนในห้องนั้นนั่นแหละไม่ออกมากินข้างนอกเหรอ mm hmm. น่าจะเรียกว่าอดข้าวใช่ไง <laughs> อดข้าวข้างนอกอ oh, กินอยู่แต่ในห้องนอ่ mm hmm. hey, อดแปลกๆนะอย่างนี้ <laughs> อดไม่จริง mm hmm. ออ mm hmm. ก็บัะชวนตปนะบัพชดคนอื่นไงอ อ่ะอีกตัวอย่างหนึงเจ็บใจไม่มีใครเข้าใจเราปิดปากไม่พูดกับใครเสียเสียเลยวงเล็บนี่ก็ใช้ปากเก็บตัวไม่ใช่จริงๆต้องบอกว่าเก็บตัวด้วยปาก น, นเก็บปากด้วยเก็บตัวด้วยเพราะว่าอันนี้ยังอยู่ในหัวข้อการเก็บตัวนะเพราะบางทีไม่ชอบใจอะไรใครก็แทนที่จะพูดพร่ำไปว่าใครอะไรไม่ไม่พูดเลยอาตมาเนี่ย ออกจะเป็นลักษณะ น, นี้สมัยก่อนเนี่ยโอ้ไม่ชอบใจยอมพี่ไม่พูดจริงๆมันรู้อยู่อย่างนะว่าไม่พูดนี่มันย่วยให้เขากโกรธไม่พูดถือถือเอาวิธีนี้เอาชนะถือเอาวิธีนี้เอาชนะเพราะพูดไปก็แพ้แพ้ผลเขาว่าเอาวิธีนี่แหละดื้อดื้อไม่พูดนี่แหละจะว่าไงก็ว่ามาสิว่ายังไงก็ได้แต่เราไม่พูด เออในที่สุดเขาจะทําไงเราได้ <c oughs> เขาตีเราตีเราเราก็ไม่ยอมพูดสัอย่างนะ่ะเออในที่สุดเราดื้อมากๆเขาเนี่ยดื้อแพงเนี่แหละดื้อมากๆขาเขาเขาก็ต้องยอมเหมือนกั น, นอืมแต่มันก็เป็นความโ ง, ง่เราต้องเก็บตัวมาก ก, ามก็นั่นไงเขามันใส่หนักขึอนองง้นไงโอ้ยอาตมาอาตมาโดนตีจนไม้หักเลยเพราะไอ้ไม่พูดเนี่แหละ แต่น้ำตาไหลแล้วเจ็บนะโอ้โหตาไหลพลากเลยแต่ไม่ยอ ม, มยอมร้องกัดฟันไม่ยอมร้องไม่ยอมพู ด, ด, จด <laughs> ใจเจโตเลย <laughs> อ, อีกตัวอย่า ง, นง <laughs> หนึ่งเบื่อนายหน้าคนไปหมดพ่อเรียกกินข้าวก็ไม่ยอมอยากจะกินคนเดียววงเล็บจิตเริ่มปีกตัวออก <laughs> นะอันนี้ก็เหมือนกันออีกตัวอย่างหนึง่ง เห็นหน้าใครก็ขยะขแยงรำคาญหัวใจเผลอๆยังหมั่นไส้ซะ อ, อีกวงเล็บนี่ก็กำลังจะปิดตัวออกจากสังคมอ้าวบางทีเราเรารู้สึกไหมอันนี้อาจจะมามัเกี่ยใช้คำว่าอารมณ์พ่านคือจริงๆเราไม่สมใจเราไม่ถูกใจอะไรมาเนี่ยจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่สักเรื่องหนึง่งแต่มันพ่านปโลโฌเกใครเจอใครก็หมดอ่ะเห็นหน้าใครก็บางทีรู้สึก เอไม่ชอบใจหม่นไส้หมันไ ส, นะส้คนต้อนะหมันไส้คนนี้ผ่านผ่านเพื่ออะไรอ่ะผ่านเพื่อที่จะได้ทําให้เราเองจะได้อะไรอ่ะมันไม่ชอบใจใครต่อใครเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องอมันจะได้เปล่ามันจะได้ไม่ต้องยุ่งกับใครมันจะได้เก็บตัวเราไงเกลียดใครก็ไม่เข้าใกล้พยายามเดินห่างได้เป็นดีหลีกได้เป็นชอบ วงเล็บพวกนี้เข้าขายเก็บตัวเองเหมือนกันนะเขากำลังพยายามยกตัวอย่างสวยตัวอย่างหนึง่งสําหรับผู้หลงไหลในความรักสักวันเมื่อความรักถูกหักปีกเขาหรือเธอก็จะพอใจที่จะสะอึกสะอื้นในมุมมืดของห้องไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครอันนี้สายกามสายกามเนี่ยเวลาอกหักเวลาผิดหวังแล้ว ก็จะลงตัวท้อแท้ตัวหมดกำลังใจตัวเศร้าโศกเสียใจเงียบเงียไม่อยากให้ใครมาพูดไม่อยากอะไรจริงๆแล้วก็นึกอยู่แต่ไอ้เรื่องอดีตของตัวเองแหละนึกนึกนึกท่านึกถึงไอ้ตรงที่เคยมีความสุขมาเขาเคยมาปลอบใจเขาเคยมารากเรายิ่งนึกก็ยิ่งเจ็บปวดยิ่งนึกก็ยิ่งเจ็บปวด พวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบีบขั้นอารมณ์ตัวเองมันเป็นความสาใจแบบสาดิษทั้งทั้จยิงๆ ร, รู้นะว่ามันเจ็บปวดยิ่งไปคิดย้อนยิ่งไปนึกย้อนอะไรเงี้ยมันเจ็บปวดแต่ก็แปลกชอบอยู่คนเดียวนั่งคิดไอ้เรื่องที่มันเจ็บปวดนั่นแหละมันมันทาร้ายตัวเองแล้วก็บีบขั้นตัวเองอยู่อย่างนั้นเนใ่้ให้ให้ให้ให ร้องไห้ให้น้ำตาไหลให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่รู้นะรู้นะแต่มันเป็นความมันเป็นความสะใจอะไรอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ให้คนอื่นเห็นใจเออก็อยู่คนเดียวคนอื่นเห็นใจอย่างไง <c oughs> <c oughs> มันมันเป็นมันเป็นการให้คนอื่นเห็นใจจริงๆแต่คนอื่นนั่นคือใคร <c oughs> คนอื่นนั่นคือใคร <c oughs> คนอื่นนั่นก็คือตัวเขาเองะลย คือตัวเขาเองอ่ะเนี่ยบีบขั้นตัวเองเนี่ยให้ร้องห h o ร้องไห้ให้เสียอกเสียใจแอบแต่ไปแอบซุกอยู่มุมมืดมืมมคนเดียวไม่มีใครรู้นะเป็นการเรียกร้องตัวเองเป็นการให้ตัวเองนั่นแหละเห็นใจตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติคนเราไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาสงสารมาเห็นใจ เข้าใจไหมที่จริงอะ่ะโดยทั่วไปเนี่ยไม่ควรมาหลบเก็บตัวอยู่คนเดียวแต่ก็กลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่เห็นใจ <c oughs> กลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่สงสารเพราะฉนั้นก็เลยหลบเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วก็เรียกร้องความเห็นใจจากตัวเองนี่แหละเพราะมันมันมันสะใจที่สุดมั น, ม, นมันคิดได้เพราะว่ามันเป็นความคิดเราเองไงมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราเอง เพราะฉะนั้นก็แหมบีบคันตัวเองให้หลึกเสียใจรู้สึกอะไรต่างๆนาันนะแต่ก็ตัวเองนี่แหละเรียกร้องกับตัวเองนี่แหละไม่ใช่ใครหรอกเพราะว่าถ้าจะเรียกร้องเอาคนอื่นมันต้องเปิดเผยใช่ไหมมันต้องออกมาหาคนอื่นแต่นี่ทํากับตัวเองตั้งที่อาจจะมาบอกแล้วว่ารู้ว่ามันทุกข์ก็ทําไปทําไมมันไม่ควรทำใช่ไหมถ้าถ้ารู้ว่าทุกข์แล้วจะทรมานตัวเองทําไมอ่ะเพราะาไอ้ที่ที่ที่ ทรมานตัวเองเนี่ยก็เพราะเรียกร้องตัวเองเนี่ยให้สงสารตัวเองน่จิตคนรเรามันซับซ้อนอย่างเงี้ยมันกับทาให้สงสารตัวเองหนักขึ้นไปอีกสมมติว่าเราชอบเแล้วเพราะเขารักตอบอาออ่ออ า, าอ่าอ่าอ่่าอ่าออ่าอาอ่าอ่าออ่าาอออ่าอาอ่าอ่า่าอ่าม่าอกาอ่าออ่าออออ่อ่นน่่อ่าา่ อัตมาณะเนี่ยอยู่ด้วยตัวเลดไอ้มาณะเนี่ยซ้อนซ่อนอยู่นะไอ้ที่บางทีเนี่ยไปทำให้เขารักเนี่ยนะเพื่อที่จะเอาชนะเขาแต่จริงๆจริตัวเองจริงๆิไม่ได้รักเขาอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าทำให้แบบว่าเขามารักเราได้แล้วเนี่ยนะเรารู้สึกว่าเราชนะผู้หญิงคนนี้หรือว่าผู้หญิงคนนี้ทาให ผู้ชายมารักได้รู้สึกว่าชนะอยู่ในใจของตัวเองแต่พอเขามารักเขาจริงๆอ่าคือมันมันมันมันสมมันสมใจตัวเองแล้วว่าชนะเพราะนั้นเนะ่ทันทีเลยทีนี้ถ้าเขามารักจริงๆเนี่ยหมดความหมายไปแล้วแต่ไอตอนที่ยังไม่ชนะนี่มันมีความหมายเพราะว่าจะต้องเอาชนะให้ได้ก่อนแต่พอชนะเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับว่าสาเร็จแล้วได้ได้ถึงเป้าแล้วเพราะนั้น ผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นก็จะไม่มีความหมายทันทีจากหัวใจเพราะว่าหัวใจมันได้สมใจแล้วในสิ่งที่ตัวเองต้องการวันข่าวนี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นจะมารักหรือผู้หญิงคนนั้นจะมาลากักมันกลายเป็นส่วนเกินนะเป็นส่วนที่เขาไม่ได้ต้องการแล้วเขาต้องการเพียงแค่ชนะเท่านั้นเองอ่ ะ, อ, ะอีกตัวอย่างหนึง่งบางรายอาจจะนอนสมใน ปัญหาหัวใจของตนป่วยเป็นไข้ยอยู่คนเดียวเจนบางทีหมออาจหาสาเหตุไม่เจอนะจะสังเกตได้ว่าพวกเก็บตัวนั้นระยะเวลามักจะใช้น้อยกว่าพวกปลีกออกจากสังคมแต่เวลาแต่วิธีการก็มักจะสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน้นจงบางทีก็แยกจากกันไม่ได้ซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือ เราจะต้องลดบทบาทในการใช้วิธีเหล่านี้ให้น้อยลงน้อยลงจนหมดไปในที่สุดแน่ละจะต้องใช้เวลาอีกนานทีเดียวถ้าไม่พากเพียนเมื่อใดเมื่อใดเราจะสำเร็จนะเพราะฉะนั้นวิธีนี้เราก็คงจะพอรู้แหละการแยกตัวออกไปก็ตามหรือการเก็บตัวก็ตามจริงๆแล้วมันคล้ายกันนั่นแหละเพียงแต่ว่า เราจะใช้มุมพูดหรือจะใช้ภาษาพูดยังไงเท่านั้นเองนะอ้ววันนี้คงฝากไว้เท่านี้